การสำับ ง, งานร้าส้งางขาของหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เครพรักของพวกเราทุกคนดังที่พวกเราก็คงจะสังเกตน้ว่างานนี้นะแตกต่างจากงานศบทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของพระหรือของค้าราหัยายญาติโยมเพราะว่าไม่มีการ ส่วนอภิธรรมอย่างที่เราคุ้นเคยที่จริงหลวงพ่อก็ได้ระบกัน้นะว่าส่วนอภิธรรมแต่ว่าให้แปลด้วยหรือวิฉะนันน้นก็ส่วนธรรมกับขบวนกาสูนแล้วก็ให้แปล้วยเช่นกันเพื่อให้ทั้งผู้ส่วนแล้วก็ญาติโยม ให้เข้าใจความหมายของธรรมะขั้นสูงสลวงพ่อท่านได้ระบุไว้ในทีในใน่ในกรรมว่ามานของท่านที่จะให้ท่านเนี่ยก็ให้มีศัสนาวิธีแต่พอประมาณจะให้มีนศนสนาธรามให้มากๆนอกจากการสวดแปล อย่างที่เราได้ร่วมกันสัพย์ยามาสักครู่แล้วมีพิธีหลายพิธีที่ไม่ปรากฏในงานนี้นะเช่นการทอดาของสกุลหลายคนก็จสงสัยว่าทําทำไมถึงไม่มีถ้าตอไม่ง่ายคือว่าหลือพ่อไม่ได้ ร, ระบุเอาไว้แต่ถ้าจะอธิบายให้มากกว่านี้ก็ต้องถามต่อไปว่า ที่อยากไดมีทอดท่านสมควรเพื่ออะไรส่วนใหญ่ก็บอกว่าเพื่อบุทธทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วรับใช่ไหมในเราจัดงานศพให้ใครก็ตามให้คนรักของเราแล้วก็อยากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วมรับแล้วก็พิธีอันหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะอุทิศกุศลให้กับผู้ที่ล่วมรับได้กออ็คือการทอดท่านสมควรซึ่งเป็นสังถานอย่างหนึ่ง แต่ว่าหลวงพ่อคำอเราเอตราตมาเชื่อว่าท่านไม่ได้ต้องการบุญบุสนใดๆจากใครอีกแล้วเพราะว่าท่านเรียกว่าเหลือบุญเหนือบาปไปแล้วผู้ใหญ่คือว่าท่านไปดีแล้วไม่จำเป็นต้องมาใช้บุญหรือส่งไปดีแต่พวกเรานั่นแหละ ที่ต้องอาศัยบุญ น, นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําบุญ น, นะก็คือทําเพื่อตัวเราเองไม่ใช่ทำเพื่อหลวงพ่อหลวงพ่อท่านไม่มีความจําเป็นแล้วสําหรับบุญที่เราจะที่ใท้ท่านถ้าจะทำบุญก็ทําเพื่อตัวเราเองและการทําบุญเพื่อตัวเราเองนั้นเนี่ยนะก็ทําได้หลายวิธี โดยไม่จำเป็นต้องถวายทานก็ได้เช่นการฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญนะเรียกว่าธรรมะสาวนักใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมหรือว่าถ้าสายพันุ์จะปฏิบัติ ด, ด้วยจัดเจริญภาวนาด้วยก็เป็นบุญเรียกว่าภาวนาใหม่หรือบุญที่เกิดกับภาวน า, จ, ากกจะกระตือรบุญจะต้องเกิดจากการให้ทานอย่างเดียวอันนั้น ก็ได้บุญเหมือนกันในวั า, านธรรมใหม่แต่ว่าเป็นบุญชั้นต้นมีบุญที่ประเสริฐกว่านั้นประณีกว่า น, นั้นเช่นภาวนาใหม่เพราะว่ามันเป็นการประทําที่สามารถจะพัฒนาจิตเปลี่ยนใจของเราได้จเจริญการจเจริญกมามฐานก็เป็นการทําบุญที่ ครุทเรามักจะมองข้ามเราคิดแต่เรื่องการให้ทางและเราคิดว่ามีแต่การทําบุญด้วยการให้ทานเท่านั้นก็เลยเรียกติดปากว่าทำบุญให้ทางหรือว่าต้องเลี้ยงพระรรก็ล้วก็ทําทบุญเลี้ยงพระแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีบุญที่สูงกว่านางกระเสริฐกว่านั้นภาวานาใหม่ หรือว่าการทำฟันใหตรงหรือว่าที่ปูกชุกรรมซึ่งเป็นบุญประการที่สิบประการสุดท้ายนะของบุญเกณฑ์ยาว่าถูกสิบประการเราจะทำฟันให้ตรงได้อย่างไรนะก็จากการฟังธรรมจากการเสววนาอ่สนทนาธรรมแล้วก็จากการประพติปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาหรือแม้แต่กินแค่เรามา พิจารณานะจากสรีระสังขารของหลวงพ่อได้เห็นถึงความไม่เที่ยงนะของสังขารย้อนมาที่ตัวเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจับไปที่หลวงเหมือนกันถ้าเป็นแค่พิจารณาแบบนี้เราก็ได้ถึงแล้วนะเพราะว่ามันทําให้เราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตมันทําให้เราเห็นถึงความเป็นอนิจจังไม่เที่ยของสังขาร ไม่ใช่แค่ความไม่เที่ยงสังขารของสังขารหลวงพ่อเท่านั้นแต่ว่ามันรวมถึงความไม่เที่ยงของสังขารที่เรียกว่าตัวเราด้วยพิจารณาเช่นนี้แล้วนะเราก็จะได้บูญเพราะว่ามันช่วยทําให้เราเกิดความไม่ประมาทําให้เราฝืนขวายในการทําความดีทําให้เราใส่ใจในการที่จะพัฒนาสุขผลตน ดิ้นถ้าเราได้มาทราบว่าได้รวมรู้ว่าหลวงพ่อนั้นเนี่ยเมื่อยาที่ท่านป่วยนะท่านก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจท่านเป็นปกติและเมื่อท่านหมอนนักภาพที่ลงก็เป็นอาการจากไปอย่างสงบไม่ได้มีความทุรนทุรายเหตุการ จากไปที่ต้องมุดงานมากแม้ว่าลูกสิทุกขาจะเสียใจนะแต่ว่าก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะแต่ว่าได้สัวตวต์วั๊มรวมทั้งมีประจักษ์พยานหนึ่นะอน่างเช่นข้อความที่หลวงพ่อได้เขียนไว้ก่อนที่จะขึ้นลงไม่กี่นาทีนะเขียนว่าอย่างไรนะเขาเขียนไว้เป็นลายมือ่งที่เราเห็น ตรงด้านความมุ่งมัออม่นนั่นคือลายมือที่ท่านได้เขียนไว้นะก่อนที่จะสิ้นลมไม่กี่นาทีเขียนว่าอย่างไรนะพวกเราขอให้หลวพอตายนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านอยากจะตายนะไม่ใช่เป็นอาการของคนที่สิ้นลงกับชีวิตนะแล้วก็หรือคนที่ทุวมทุราย มีคนจำนวนไม่นอน ท, ที่ป่วยแล้วก็มีทุกขเวทนาบีบทันมากแล้วก็ขอให้ลูกหลานปลดสายปลดพ่อเพราะว่าทุกขารมาดจเกินหรือบางคนก็อยากจะให้หมอเนี่ยช่วยจบชีวิตของตัวเองเพราะว่าทารมานมากจบชีวิตด้วยการฉีดยาหรือว่าทำให้คนให้ทาให้หลับซะเลยก็ได้ อย่างที่เราเรียกว่าการบรราค่ามีคนต้องการแบบนี้เยือยจากหมอจากรุกลานเพราะว่าคนความทุกข์ควมทรมารไม่ไหวแต่หลวงพ่อไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นที่เขียนข้อความก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนะแต่ท่านนึกถึงลูกศิษย์ลูกหานะที่ตอนนแรกําลังชุลมุนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อ ให้หลุมพ่อมีลมหายใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกอน เ, อเนื้อมันก็บวมแล้วก็มันปิดหลอดลมหรือ ว, ว่าปุ๋พ่อหายใจมากขึ้นทุกทีซึ่งไม่มีทางที่จะรักษาด้ยวยยาได้ ท, ที่รูกสิกลูกหาที่ดูแลก็พยายามที่จะทำทุกอย่างเพ่อที่จะทำได้หลวงพ่อท่านคงเห็นว่าคงยึดเห็นใจพวกเราก็นะ ก็เลยบอกให้พวกเราเนี่ยอยากให้พวกเราปล่อยวางก็เลยเขียนข้อความนี้ท่า น, นที้ตอนนั้นท่านหายใจได้ลาบากมากแล้วนะท่านเขียนข้อความนี้เสร็จแล้วก็ท่านก็ประนมมือนะท่านยืนให้กับผู้ดูแลนะคืออาจารย์โนธแล้วท่านก็ประนมมือซึ่งท่านก็ทำเช่นนี้ทุกครั้งในเวลาที่รูกสึยลูกขา ปยาบาลท่านอาการธรรมธการกับท่านเป็นการแสดงความขอบคุณใครที่รู้จักหลวงพ่อคำเขียนนี้ก็จะรู้ว่าการพนมมือของท่านนี้ทำได้ง่ายมากทำโดยไม่มีอาการของความถวดเนื้อถุกตัวท่านเจอลูกศิษย์ลูกผาท่านก็อพนมมือไหว้ก่อนเลยลูกศิษย์ลูกผาหลายคนหลวพ่อเนี่ยไหว้ในทันท่าน ตั้งแต่ว่าจะไหวท่านไหนท่านไหว้ก่อนท่านไม่มีความถูอตัวในเรื่องนี้เลยแล้วก็เวลาลูกศิลป์ลูกหาดูแลท่านธรรมทการมท่านเป็นท่านก็จะขอบคุณในการพนมลและ ว, วันนั้นเวลานั้นท่านก็พนมเหมือนกันแต่ลูกศิลป์เข้าใจว่านี่เป็นธรรมนาของท่านที่จะมาขอบคุณแต่ที่จริงแล้วสาระในยะ มีตอนที่มาอีกก็คือว่าเป็นการอำลาบนมือก็ใช่แค่ขอบคุณแต่ว่าอำลาแล้วท่านก็หลับตาแล้วก็ติ้งหมดหลังจากนั้นชั่วครู่ท่านถ้าเราได้เรียนรู้รับทราบนะถึงวินาทีที่สำคัญไงก็เชื่อว่าเราจะเกิด ความไม่เกยงประทับใจแต่จะรู้สึกว่านี่แหละคือทางที่เราควรจะเดินตามหลวงอไปก็คือเมื่อยังมีลมหายใจยังมีชีวิตก็มีสติอยู่ด้วยความรู้สตัวอย่างที่หลวงพ่อสอน <c oughs> และเมื่อป่วยก็ป่วยแต่ตายใจไม่ป่วย มีสตมิมีความสุขตัวเป็นเครื่องจูและเมื่อถึงวินาทีที่จะต้องนาสาังหารก็จากไปอย่างสงดท่นนนานได้วางได้ทำเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้วก็ควรที่จะตั้งเฝ้าว่าเมื่อวันนั้นมาถึง เราก็จะอยากทําทให้ได้อย่างนั้นแน่นอนเราอาจจะทําไม่ได้อย่า ง, างท่านหรือว่าดีอย่างท่านแต่ว่าถ้าว่าเราอยากทําทให้ใกล้จริงที่สุดเป็นความตั้งใจงที่จะเดินตามท่านไม่ใช่เรียนแบบท่านนะแต่ว่าเดินตามท่านด้วยการสุดผลอย่างที่ท่านได้ครั้งสองได้ทำเป็นแบบอย่างก็คือการมีสติความวิชตัว ถ้าเราพิจารณาลบกนี้เราจะได้คุณได้คุณสมมากจากการมาที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่หลัทรารรวะสติละของท่านแต่ว่ายังได้ธรรมะกลับไปเพื่อจะเป็นเครื่องบันทางในการดำเนินชีวิตทั้งในยามอยู่ยามป่วยและในยามที่ต้องรัาจากโรคนี้ไป หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้กับพวกเราได้ดีได้ประเสริฐเข้าธรรมะที่ท่านสอนที่ท่านแสดงทําให้ดูทําให้เห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยไม่มีอะไรว่าปั่นนั้นอยู่ด้วยความสุดตัว หลายคนอาจจะคาดหวังสิ่งที่มันหรือว่าทิศฐาจากหลวงพ่อเวลานึกถึงหลวงพ่อในขณะที่เป็นอาจารย์กรรมฐานหลายคนก็นึกถึงหรือคาดหวังว่าท่านจะมีทิศปติฐานาท่านจะมี ความสามารถพิเศษทางจิตเช่นอกติญาสามารถที่จะหายใจนั่งทางในหรือว่ามีความสามารถในการทำสิ่งที่เหนือมนุษย์ใครที่คาดหวังอย่างนี้จากหลวงพ่อจะไม่มีรรเทพ้พบเพราะว่าจริงแล้วแท้จริงแล้วในบ่วงพ่อท่าน ต้องเรียว่าไม่เอาสิงนี้เลยที่ท่านไม่เอาเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้หลวงพ่อ ร, รู้เรื่องพวกนี้ดีเพราะว่าท่านเคยเป็นหมอธรรมก่อนที่จะมาบวชท่านเป็นหมอธรรมมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดจนถึง จ, จ, จนทั้งอายสักอายุสามสิบสิบสามปีเนี่ยท่านไม่ใช่สิแค่ชาวนาไม่ใช่เป็นแค่ช่างก่อสร้างแต่ว่าท่านยังเป็นหมอธรรม ท่านบอกคลุกครีกับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเวทมวนตร์เรื่องคาถารักษาคนเจ็บป่วยด้วยมวนต์ด้วยคาถาหา้องหายให้เจอเนียด้วยการนั่งทางในเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเรื่องคาถาอาคมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านเชี่ยวชาญชํานาญมาตั้งแต่เป็นพรุ่นถัสเป็นคนรุว่า แต่พอได้มาพบธรรมจากการปฏิบัติตามแนวทางพิโงธทอเชียนได้สอนท่านก็พบเลยว่าธรรมะที่เกิดจากีิสัพสนาอันนี้มันสูงส่งมันประเสริฐที่สุดนะท่านบอกว่าพอได้มารู้ธรรมเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยมันจืดไปเลยมันจืดไปเลยน่ะ ไม่มีเน่ไม่มีเอแรงจรึงดูดสัตว์ธรรมต่อไปท่านวานหลวงพ่เป็นการกรรมฐานที่เคยผ่านเรื่องเว่นมนต์คาถามาก่อนที่จะมาบวชที่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอนมีคารวะก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรือว่าไม่มีความรู้ความาบวชแล้วเนี่ยค่อยมาเอาดีทางนี้เอาดีทางเว่นมนต์คาถา ทางสะดอกเพราะทางทางครึ่งแรงของธรงแต่หลวงพเนี่ยมาในทางตรงข้ามกคือว่าเคยเชี่ยวชาญเคยจัดเจเรื่องพุทธครองเป็นรับท่านขว้างเพราะท่านรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่กระเสริถ้าปฏิธรรมะเพรว่าเวลาเนี่ยการที่เห็นธรรมรู้ธรรเนี่ย มันเป็นปฏิหารยิ่งกว่าอิทธิปฏิหารปฏิหารในพืทธศาสนานีมีสามอย่างอย่างหน้าคืออิทธิปฏิหารนะคือความสามารถที่ทําให้สํำริดหรือว่าทําให้สําสเร็จผลได้อิทธิปฏิหารนี่พวกเราพอรู้จักดีนะหลักการต่อมา อ, อาเทศนาปฏิหารคือการสามารถในการหายใจได้ ประการที่สามที่้จักสารเสรพนั้นดีที่สุประเสริฐที่สุดก็คืออนุาสาวรีย์มีปฏิหารคือปฏิหารที่เกิดจากการเห็นทำเข้าใจทำเพราะว่าปฏิหารชนิดนี้เนี่ยทําให้คนทุกข์ได้ที่ปฏิหารไม่ได้ทําให้คนทุกข์เลยอาจจะทําให้มีลาบสักการะเยอแต่ก็ถ้าไม่มีครมามะ ก, กากับ ก็จะหลงติดในราภสัการะแม้จะดำดินตินบนหอวิริกาได้ก็ไม่สามารถจะเป็นอิสระเป็นไทยได้จากราภสัการะกับรินบลแสลงหาผลไฝยเพื่อราภสักการะอย่างที่เราได้เห็นจากเกจีอาจารย์หลายท่านที่จริงไม่ต้องดูห้หรืไกลเท่าเว่าถ้าเป็นตัวอย่างของคนที่มีที่ปฏิหารเสร็จแล้วก็ ไม่สามารถที่จ ะ, ะเป็นไทยเป็นสระจากกิเลสตัณหาได้ถึงกับ ค, คิดคิดค้แยกตัวเพื่อเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจ้าในขณะที่คนอื่นเนี่ยพระญาติคนอื่นเช่นพระอานนท์พระพัิยะ แม้กระทั่งน้องสาวคือนางพิมพาพิชศนราท่านหลํานี้เนี่ยมรรุธรรมเป็นพระอาหารหันต์หมดแต่ว่าพระเจวทัานลงมาด้วยการลงวรรคเพรา ะ, ละนะว่าไปหลงติดกับที่ปติฐานในขณะที่พระญาติคนอื่นหรือแม้กระทั่งคนใช่คือกูบาลีอูบาลีเนี่ยแต่ก่อนเป็นคนใช้เป็นช่างกระเบิแล้วเมื่อมาบวชพระก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ ถ้าเหล่านีเนี่ยทนทุกข์ได้เพราะอนุาสาจะมีปฏิหารมันเป็นปฏิหารอย่างนั้นมันเป็นปฏิหารเพราะว่าแล้วว่าเจอความเจ็บความปวดเจอความพัดพลาดสูญเสียเจอคำต่อว่าต่อพอนิพาวากล่าวจิตใจก็เป็นปกติได้แม้ความเจ็บปวดจะบีบคั้นให้กลายเป็นทุกข์แต่ว่าใจไม่เป็นุ แม้เวลาที่ความตายจะมาถึงจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะความแก่ความเจ็บความป่วยแมะทั่งความตายก็ไม่สามารถทําให้ใจเป็นทุกข์ได้ที่หลักธ้ําธรรมะที่เกิดจากอนุสาวนีย์ปฏิหารนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่ทําให้พอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้ ท, ที่ปฏิหารเนี่ยไม่เคยช่วยให้เอาชนะพ้นจาก ความแก่ความเจ็บความตายได้ดูที่จริงการที่หลวงพ่อนะได้ลับสังขารด้วยด้วยอาการที่สงนะอย่างที่สมมาเล่าเนี่ยมันเป็นปฏิหารได้นะมันเป็นปฏิหารได้นะเพราะว่าคนที่กํำลังจะตายจากไปแต่ว่าไม่มีการกกาทุร น, นทุรายข้าราชกาขายจันทร์ยออกนะท้งหมดยิ่งได้ ทำไมบอกว่าความตายทําอะไรไม่ไดอ้อันนี้ถ้าเราไม่ลองปฏิหารแล้วเราเรียกว่าอะไรจะเป็นปฏิหารที่ดูเบนสื่นก็ดูดธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เหนือเหนือมนุษย์ไม่เกับการเพาะมันเนอากาการห า, ายตัวอาตมาเนี่อยู่กระหลวงพอกำเเขนมาสามสิบกว่าปีนะไม่เจอท่านไม่เจยเห็นท่านเนี่ย นะพูดหรือว่าอาชื่นชม น, นะหรือแสดงให้ดูเลยนะเรื่องพิธีปฏิหารเนี่ยท่านมีแต่สอนธรรมะล้วนๆและเป็นธรรมะขั้นแก่นธรรมไม่ใช่สอนเท่านั้นไม่ใช่สอนเรื่องคำพูดเท่านั้นแต่ว่าทําให้ดูอยู่ให้เห็นด้วยทําให้แต่ละขณะแต่ละนาทีของท่านเนี่ยมันเป็นการแสดงธรรม เป็นการแสดงภูมิจิตภูมิปัญญาหรือภูมิธรรมนะถ้าหากว่าเรารู้จักใครทรวลพิจารณาหลวงพ่อท่านได้ประสบด้วยตัวเองนะว่าแม้กระทั่งแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่นะมันก็ช่วยได้เยอะยิ่งกว่าอีิปฏิฐ า, าคนคาถาคมหลวงพ่อท่านเล่าว่าสมัยที่ท่าน บวนใหม่ๆ ม, มีคราวนึงนท่านก็ไปพักอยู่ในในป่าไราจักของเพื่อนนะเ็จย้อยพืนที่วัดตาบุติยามตอนนั้นท่านได้รู้ธรรมจากการปฏิบัติของหลวงพ่อขรีหวพ่อเทียนแล้วนะแต่ว่ายังไม่เป็ที่สุดวันหนึ่งเนี่ยก็มีคมตาย เป็นโจนรผู้ร้ายที่ถูกริงกว่าจะพบศพนี้ศพนันก็ขึ้นอื่นแล้วก็มีการเอาร่างของผู้ชายคนนั้นเนี่ยใส่โลงแล้วก็เขาไม่เผาแต่เขาฝังควอมที่จะฝังเนี่ยก็เปิดเปิดสาโลงหลงพ่อท่านก็ไปดูเพราะว่ามันกใกล้ใกล้กับที่ท่านาปักตร ก็เห็นโสมนี่นะขึ้นขึ้นเพราะมันหลายวัน้ะเมื่อเอาสมเนี่ยจอนลงไปในสมงหลงพ่อบอกว่าขอฝาลงเพราะว่าท่านจะไปทำเป็นเตียมที่ยังไม่ใช่เตียงแคร่ขอฝาลงเขาก็ให้ฝาลงท่านท่านก็เอามาเอามาหัดเอามาถูก็กมันดี น้ำเหลืองนะมันมีกลิ่นแล้วก็มาขัดมาถูมาแช่น้ําเป็นเยือนนะจนกราทั่งคิดว่าเกิดพอใช้ได้แล้วก็เอามาเอ า, าเอามานอนแต่ว่าปากที่นมันชื้นเพราะฉะนั้นพอชื้นเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นมันโชยมาในครั้ท่านเนี่ยกำวัดแล้วพอได้กลิ่นทีไรเนี่ยนะท่านก็จะนึกถึงหน้าของ เห็นหน้าขงศบซึ่งดูน้ากลัความโรธเกิดขึ้นกท่านแล้วขอท่านหลับไปท่านก็ฝันว่าฝันถึงศพของผู้ชายคนนั้นซึ่งเน่าเหม็นและศพ น, นั้นเนี่ยก็กลิ้งมาหาท่าน ก็ขึ้นมาท่านเนี่ยท่านทายังไงท่านกะท่องคาถาคมอันนี้ในฝันนะท่องคาถาคมพอท่องเสร็จจบนั้นก็กลิ่งกลับไปแต่พอท่องเสร็จมันก็กลิ่งเข้ามาหาท่านก็ท่องด้วยสมนั้นเนี่ยกลิ่งออกไปเป็นเยื่องสองสามครั้งเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นนะแต่ว่าทักทักให้ตื่นขึ้นมาแต่ท่านก็ สร้างจังหวะพอความสุดตัวกลับมาเนี่ยนะไอความกลัวไอกลิ่นเนี่ยมันหายไปเลดังนั้ท่านเล่าเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าไอคาถาผมเนี่ยนะมันช่วยไม่ได้เท่าไหร่มันช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่สู้ความสุดตัวไม่ได้ไม่ใย่ว่าวท่านตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยฟันล้านั้ำหายไปกลางทางรูกนี้ แต่ว่าพอตั้งจังหวะเนี่ยความกลัวมันก็ละลายหายไปเป็นอากาศสาัมผแล้วถ้าบอกตั้งแนั้นเนี่ยไม่มีความกลัวเลยอันนี้คือช่วงที่ท่านสลัวนใหม่นะตั่สองภาษาแรกมันเป็นทางอ่ที่เหมือนกับจะบอกเราว่าอย่าไปฝากควา ม, มหวัไว้กับพวกคาถาคมนะความสุดตัวเนี่ยมันประเสริฐนะและความสุดตัวนี้ก็ทําให้ท่านเนี่ยพบ ท, ทางขั้นสูงเพราะว่า พราะมีความสุขตัวมันมีสติเพราะมีความสุขตัวมันไม่มีความหลงก็ช่วยทําให้จิตเนี่ยสามารถจะเห็นความจริงของกายและใจได้อย่างแจ่มชัดเห็นความจริงของกายและใจเป็นลำดับไปลําดับไปจนกทั่งสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้เพราะรู้ว่า สิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยสิ่งที่อ่านึ้นั้นเนี่ยมันเป็นแค่มายาธาหลวงพ่อท่านบอกเสมอว่าเหมือนกับคนที่เคยแต่ก่อนเนี่ยดูคนเล่นมายาคมมันก็หลงเชื่อนะในมายาคล น, นั้นมายากลคนนั้นเนี่ยเอากระต่ายขึ้นมาจากยื่นกระต่ายขึ้นมาจากกระเป๋าหรือว่าสามารถที่จะผ่าตัวให้แยกเป็นสองขอนได้ หรือว่าทำอะไรให้มันถ่ายได้คนก็เชื่อแต่ว่าพอมารู้เทคนิคของนักมายาคนนั้นเลยเนี่ยมายา น, นลคนนั้นหลอกไม่ได้ต่อไปมันตืดเชื่อไปหมดเลยมัน ม, มีความสื่งเส้นนะการที่ท่านได้เห็นทางจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นตัวตนเป็นตัว ป, เปูนวปเนี่ยมันก็เป็นแค่มายากลทาที่เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาจะปรุงแต่งขึ้นมา และแท้จริงเนี่ยมันก็เป็นของรวงของปรองท่านสามารถจะเข้าใจความจริงขั้นปรมัจา์ได้แล้วก็มันก็วางนะมันไม่มีความตู่นเต้นกับอะไรต่อไปก็คือว่าเห็นอะไรเนี่ยนะมันก็วางได้แต่ก่อนเนี่ยท่านที่หลวงพ่อเสี่ยนทัิบายแล้วเหมือนกับว่าเวลาเห็นอะไรเนี่ยไม่ว่าทางตาคุ่จมูกเนี่ยท่านทางก า, ายและใจตาคูม่จมูกยิ้มใ จ, ใจ มันสราคขทัไปที่มันเหมือนเหมือนกับดินเหนียวที่กว้างไปที่ข้างข้างข้างฝาแล้วเนี่ยมันติดแต่ว่าพอปฏิบัติธรรมถึงที่สุดเนี่ยดินนั้นไม่ใช่ดินเหนียวแล้วนะมันเป็นดินธรรมดากว้างไปเนี่ยมันก็ไม่ติดข้างฝาแล้วหรือถ้าเทียบผู้ด้วยสมรรถภาพของพุทธเจ้าดูว่าเหมือนกับไปบัวที่น้ําเนี่ยฉาบไม่ติด น้ำมันตกลงมาน้ำฝนตกลงมามันก็ไม่ติดในรูปไม่ติ ด, ดหลอดยนีอันนี้คือสภาวะจิตของผู้ที่ถึงธรรมเนี่ยอย่างที่สูดเนี่ยทีเด็ดก็แตกตื่นไม่ได้นะแล้วก็ไม่ติดในรูปรดกลิ่นเชยงสัมผัสอันนี้มันเป็นปฏิหานนรเป็นอนิสาสมีปฏิหารเกิดจากการที่ได้เข้าถึงธรรม หลวงพ่อท่านเมื่อได้เห็นธรรมรู้ธรรมเนี่ยท่านก็พยายามที่จะสอนผู้คนให้ได้เห็นอย่างท่านบางเพราะว่ามันช่วยทําให้คนนถุกท่านก็ตามหลวงพ่อเทียนไปตามที่ต่างๆแค่แต่หลวงพ่อเทียนจะจะขอรือสั่งจะมึงเลยไป ขอนแก่นวัดโมกแล้วก็จากขอนแก่นวัดโมกก็มาวัดชนรปทาปีหนึ่งแปดและจากนั้นก็มาวัดสนามนัยที่จริงหลวงหลวงพ่อเทียนท่านเจอวัดสุนแช่ก่อนนะแต่ว่าตอนหลังก็ให้อลวพ่พยรมาวัดสุนแชแล้วหลวงพ่อเทียนท่านก็นมาที่วัดสนามนัยแล้วก็ครูเบิร์ดหลวงพ่อคำเขินก็อยู่ช่วยนะหลวงพ่อเทียน และฉันก็ประทับใจนะที่มีคนกรุมเนี่ยมาวัดมาปฏิบัติธรรมวัฒนธรรมในจีนแต่เนี่ยมันเป็นชนบทนะโดยไปวัฒนามนายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรถรถที่ใช้รถโดยสารเนี่ยมันใช้รถที่เราเห็ในหนังเรื่องผูอีสานนะรถเรือกคนขับรถเนี่ยรถขับคนขะันะนบนนเนี่บดันมันเลย แต่ว่ามันมีแนวโ น, น้มที่จะมีคนมีนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดสนามหน่ยมากขึ้นหลวงพ่อเทียนก็อยากจะตั้งใจจะฝักหลังหรือพัฒนาวัดสนามหน่ยให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนในเมืองก็หลวงพ่อเทียมนก็มีแนวโ น, น้มในทางที่จะเอาธรรมะไปให้คนในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆจากวัดโม่ขลันเจีนมาวัดสนามนาหน่ยเมืองนนท ซึ่งตอนนั้นมันก็อยู่ใกล้กับมันก็อยู่ใกล้กับสะพานบางทีจะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยแทนที่จะปักหลักที่วัดนามในหรือไกลเมื่นก็วัดโมกขดเจนอย่างที่พลวงพอเทียนแนะนำท่านกับคิดนม่เหมือนึอื่นท่านเลือกที่จะมาปักหลักที่นี่ บนหลังเขาภูโคงซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกันดานมากไม่มีถนนขึ้นมาจากแก้งคอต้องตีขึ้นเขาอตมาจำได้ว่าตอนที่มาครั้งแรกปีสองสามเนี่ยนกะทั่งรถจากแก้งครอมาตีนเขาเนี่ยรู้สึกจะมีเที่ยววัดเที่ยวเทนั้ น, นมีแค่วัดเที่ยวอะไรทำให้หลวงพ่อ เรื่อกทิศการมาปักหลักนะบนหลังเขาที่แสนจะไ ก, กลและทุรนทุรายเพราะถึงไม่ยากทั้งทั้งที่ท่านก็มีทิศทางที่จะไปแล้วครูบาอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านอยู่ที่ท่านก็คื อ, ขอเขากรุงเทพหลวงพ่อคำเขียน้วบอกว่าการที่คนกรุงเทพเนี่ยเข้าวันเนี่ ย, นนยมันเป็นเรื่องที่ดีและท่านก็คนดีนี่ไม่น่าหว่ว ไอ้ิงที่น่าหวงคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ไกลวัดแต่ท่านเห็นว่าเนี่ยบนหลังเขาเนี่ยมันไกลวัดไกลวัดไกลธรรมะมีวัดเหมือนกันนะแต่ว่าพระนี่ท่านไม่ค่อยสนใจสอนท่านชอบเล่นว่างผมก็ทั้งเขียน ว, ว่าตอนที่มาที่นี่ปี200เนี่ยตามคำนิมนของญราชโยเนี่ย วัดนี่นะมันเตรียนร่วมเลยนะเพราะว่าเจ้าวัดคนก่อนเนี่ยตับต้นไม้เพื่จะเลืนว่างท่านต้องมาปลูกต้นไม้นะขึ้นมาจานะทั่งมันเป็นป่าทุกวันนี้คือพระมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของท่านเพราะท่านจะเรียกว่าคนคนหลังเขาเนี่ยไกลวัดไกลธรรมะหลวงพ่อเนี่ยเป็นนึกถึงคนเหล่านี้อยากจะมาช่วยสงเคราะห์คนชนบทนะที่ไกลธรรมะไอ้คนกรุงเทพเนี่ยนะ ไกล้ธรรมะแล้วเข้าวัดกันมาเป็นประจำท่านไม่เคยห่วงท่านห่วงคนในชนบทและนี่คือทำให้ท่านเลงมาเริ่มมาปักหัที่นี่แต่ปักหักของท่านก็หมายควาว่าท่านไม่ได้ลงไปลงไปช่วยหมู่นนั้นนะหลวงพ่อหอคเขียนที่ท่านขอรเชี่ยวมากแล้ลวงพ่อเชียจะบอกใยท่านทำอะไรเช่นไปสอนที่ไหนท่านก็ไปไปทิงผาดใหญ่ทัาก็ไป แต่ว่าพอแตุ่าลาแล้วท่านก็มาและการที่ท่านขึ้นมาคุยหลังคาเนี่ยหลวงพ่อเทียนไม่เห็นด้วยเลยนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าท่านพูดหลายครั้งบอกว่าจํารดกอยู่ในป่าไม่ลิงเหมือนข้าได้อย่างไรงจำมรดอยู่ในป่าไม่ลิงเหมือนข้าได้ยังไงคนธรรมะคนรู้ธรรมะก็ต้องไปสอนคนไม่ใช่มาสอนดึงสอนข้าทพระพุดธเจ้าทีงมองเนี่ยทางหลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านเป็นตัวของตัวเองนะแม้ว่าท่านจะตอบรับหงพ่ดเทียนมาก ท่านเคามากนะครท่านตอนท่านป่วยตนี่ทขอท่านหลายอท่านจะพูดถึงข่าทเคียดที่ความเคารพด้วยควาทราบซึ่งท่านเรียกเลยว่าโรคจิตโรควัชชินท่านบอกเนี่ยูโรคิตโรควัชินมีทำนำพาไม่มีวันตายท่านไม่ได้พูดถึงเฉพาะโรกจิตทั่วไปแต่พูดถึงตัวท่านและท่านภูมใจที่เป็นโรคจิตโรควัชชินท่านเคารพวัชชินมากแต่ว่าในเรื่องบางเรื่องท่านเป็นตัวของตัวเอง และการเปิดที่จะมาขึ้นมาบนหลังเขาซึ่งพอหลังเนี่ยนะมันก็เริ่มมีค น, นมีมูินี้ขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีทีเดียวนะที่ผู้คนเนี่ยเวลามาที่วัดป่าสุภโตก็จะพู ด, ดคล้ายๆกันว่าทําไมตั้งวัดใหญ่เกินทาไมตั้งวัดใหญ่เกิน มันก็บอกว่าอยาจะให้สั้างใกล้ๆใกล้ๆเพราะว่ามาลำบากแต่เดี๋ยวที่จะมาว่าคนไม่ใช่บนกันแล้วมาว่าวัดสุโขโตเป็นไลและสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นก็คือว่าผู้คนก็ทยอยขึ้นมาปฏิบัติศึกษาธรรมที่วัดป่าสุขโขทตกันมากขึ้น อาชมาเชื่อว่านักศิลป์หลงพ่อเทวีหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงน้ ว, ว่าวัดสุปโธเนี่ยมันจะกลายเป็นอำนัจปฏิบัติธรรมที่มีคนขึ้นมาปฏิบัติกันต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อสามสิบสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่ายนองเลยว่ามันจะมีคนขึ้นมาได้อย่างไรได้มีจถนนต้องเีรียมขึ้นมาน่ีกิจถนนแล้วเนี่ยจากแก้งครอขึ้นมาบนหลังมาสึงวสุโธก็สองชม 2ชั่วโมงนะระยะทางสามสิบกิโลแต่หลวงพ่อท่านก็ยังยืนหยัดในะที่จะทำวัดบาสุปโตให้เป็นให้เป็นวัดจารการมปฏิบัติธรรมอาจจะมาเชื่อเป็นเพราะว่าท่านมีสายตาที่ยาวไกลพอสักวันหนึ่งเนี่ยคนกครุงเทพหรอคนในกรงเนี่ยจะมีร้อนตะบุญจริง แล้วสิ่งที่ท่านและสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นมาผู้คนก็หลังไหลกันมาทูทุสารพิธิมาที่วัดป่าจุโธมาเพื่อปฏิการทำมาเ พ, กก พ, พื่อพบกับควหมดงบใจมีจิตใจแ้าเพียงแค่ท่านรักษาป่าให้ร่มครึ้มเนี่ยแค่นี้ก็มีคุณอุปการเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยเวลามาที่วัดป่าจุโธเวลามา มหาสมาธิตาลาน้ำไห้พูดง่ายๆก็คือว่ามันร่มรื่นผสมน้ำ ม, มันเป็นความสิส่งที่เขาสัมผัสได้และมาอาจจะเป็นสิ่งที่เขาโหย ห, หาก็ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ตื่ต้องการความสงกรู้แต่ว่าความอยากขาดหายไปจากชีวิตแต่พอมมาว่าป่าสุโกโตเกินแค่ชั่วโมงแรกอย่างเ้าก็รู้เลยว่าออกมาสง แล้วก็จะได้พบว่าอ่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการความสงบที่ ร, ร่าสงบกายของแต่ต่อไปก็จะพบว่าสิ่งที่เขาขาดจริงๆและต้องการมากคือความสงกใจและสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คนในเมืองขาดแต่ก็จะไม่รู้สึกตามว่านี่คือสิ่งที่ขาแต่ก็รู้ว่ามันมีบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตทําให้เขาไม่มีความสุขแม้จะมีเงินนแม้จะมีคลองแม้จะมีความสุขในขางานการ เรื่งไม่ตั้งข้อมาถึงนี่เขาจะค่อยรู้ว่าอ๋อนนี้คือสิ่งที่เขาต้องการดังนั้นก็คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนนี้ก็อย่างพวกเรานะเาานี่ยก็มาสัมผัญนะทีแรกก็ความสมุบของธรรมชาติต่อมาก็พบกับคามสงบของธรร ม, ม, มอันนี้จะเรียกว่าเป็นการที่หลวงพมีสายตายที่ยาวไกลก็ได้นะ แม้ว่าที่แรกเนี่ยท่านจะไม่ได้คิดถึงอคนในเมืองมาตลอดคนีนชาวบ้านแถวนี้นะเพราะว่าท่านอาอยากจะช่วยสงเคราะห์เขาแต่ว่าทําไปทำไปนะอันนี้ผมแห่งธรรมานะที่ท่านได้สอนแนะนำก็แผ่ไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่นั้นที่ดได้ประโยชน์แต่ว่าคนในเมืองที่รุ่มร้อนใจและรุมร้อนใจ ก็ได้ามาสลายังคาแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้พบกับสิ่งที่เี็นต้องการสําหรับพวกเราที่ได้มาได้ประโยชน์จากการนําปฏิบัติธรรมที่วัะบาสุโธโตหรือว่ากว้างกว่านั้นคือได้พบต่อความสงบจากการได้ปฏิบัติธรรมตามที่หัวข้อได้สอนในชินน้นนั้น ก็เชื่อว่าพวกเราได้โชคดีมากที่หลวงพ่อได้คุ้มเทสทั้งแรงจายแล้วก็แรงใจสติปัญญาเพื่อให้เราได้รับประโยชน์หากว่าหลวงพ่อทำไมได้คุ้มเทอย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นแรงบัน า, าพวกที่เราประเสนิ ยังต้องแสวงหาต่อไปหรือแ ม, ม้แต่ยังต้องเรียนความทุกข์ด้วยฉะนั้นพ่ออยากจะราบให้พวกเราได้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่หลวงพ่อจะทุ่มเคให้ให้เกิดผลมากขึ้นถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะละจากพวกเราไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนเราหรือสิ่งที่ท่านได้ทําปแต่ละอย่างมันยังอยู่ไม่ได้ไปไหง และนั่นก็คือมองดกธรรมที่พวกเราควรจะน้อมรับนำมาปฏิบัติได้ให้เกิดเป็นคำดีประภอยของฤติ ก, การแสดงธรรมตัวจริงข้งนี้